จเจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจมุ่งใจกุสมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2555เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญให้ทางมารักษาศีล มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการตัดบภพบชาติการเวียนว่ายตายเกิดให้น้อยลงไปตามลำดับและพัฒนาภพชาติที่เหลืออยู่ให้ดีขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระนิพพานเมื่อถึงขั้นพระนิพพานแล้วการเวียนว่ายตายเกิด ก็จะยุติลงไปดังนั้นการทาบุญรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมจึงมีประโยชน์อยู่สองประการอย่างที่ได้แสดงไว้คือช่วยตัดภพชาการเวียนว่ายตายเกิดในกองทุกข์ให้น้อยลงไปตามลำดับและพัฒนาภพชาที่เหลืออยู่ ให้ดีขึ้นไปตามลำดับให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความเจริญมากขึ้นจนมีแต่ความสุขอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ไม่มีความเวียนว่ายตายเกิดที่จะต้องตามมาอีกต่อไปไม่มีศาสนาใดที่จะสามารถนำพาสัตวโลกให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ มีเพียงพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวและเป็นศาสนาที่ไม่ปรากฏขึ้นมาในโลกได้บ่อยครั้งนานๆจะมีพระพุทธเจ้าสักพระองค์หนึ่งที่มาตรัสรู้แล้วมีพระเมตตาที่จะโปรดสั่งสอนพระธรรมคำสอนให้แก่สัตว์โลกให้รู้ถึงเหตุของการเวียนว่ายตายเกิด และให้รู้ถึงเหตุที่จะตัดการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดสิ้นไปไม่มีใครสามารถสอนได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนแล้วก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติตัดภพชาติของตนเองได้จนหมดสิ้นไ ป, ปกลายเป็นพระ อริยสงสารผู้ที่จะสามารถสืบทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้อยู่แก่สัมโลกได้ต่อไปการถ่ายทอดหรือการสืบทอดพระพุทธศาสนาจึงอยู่ที่การศึกษาคือการฟังเทศฟังธรรมพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติปฏิบัติ ด้วยสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนญายปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์ปฏิบัติด้วยความถูกต้องก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานดังที่พระพุทธเจ้าได้ส่งบรรลุได้เมื่อได้บรรลุแล้วก็จะมีความสามารถ ที่จะสั่งสอนให้ผู้อื่นที่ยังไม่รู้สามารถรู้ได้นี่เป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะยังพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญก้าวหน้าให้อยู่กับสัตว์โลกไปนานๆให้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกไปนานๆไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุต่างๆเช่นโบจดีดีวิหารศาลา สิ่งเหล่านี้ก็มีความจำเป็นแต่เพียงเป็นสิ่งที่เอื้อหรือสนับสนุนเท่านั้นเองถ้ามีโบทเจดีมีวิหารแต่ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติต่อไปศาสนาก็จะกลายเป็นศาสนาด้านไปหรือศาสนาบอกคือคนที่เข้าหาศาสนานั้นไม่ได้มีหูตาสว่าง เพราะว่าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัตินั่นเองบอนด้วยความหลงอย่างที่ปรากฏขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วในสมัยปัจจุบันเช่นการเข้าวัดเพื่ออธิษฐานขอสิ่งต่างๆจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เป็นการเข้าใจผิด เพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นไม่มีหน้าที่ที่จะมาเสพมาเป่ามาโดนบันดาลให้ได้ตามที่เราอยากจะได้กันหน้าที่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นเหมือนครูเป็นอาจารย์ที่จะคอยสอนคอยสั่งให้เรารู้จักเหตุของความสุขให้เรารู้จักเหตุของความทุกข์ให้เรารู้ จากเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้รู้เหตุที่จะทำให้การเวียนว่ายตายเกิดนั้นหมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่เข้าวัดจะไม่ค่อยสนใจฟังเทศฟังธรรมกันจะเข้าไปที่หน้าท่าประธานไปจุดธูปเทียนแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งนั้นสิ่งนี้อันนี้เป็นความหลงเป็นความมืดบอดไม่เกิดปัญญา ไม่เกิดความรู้ที่จะนําพาไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายเพราะพุทธศาสนานั้นมีไว้เพื่อสั่งสอนสัตว์โลกสัตว์โลกนี้เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาเหมือนกับเวลาที่นักศึกษาไปเรียนในมหาวิทยาลัย แทนที่จะเข้าห้องเรียนก็ไปทากิจกรรมนอกห้องเรียนกันถ้าทำอย่างนี้เรียนไปกี่ปีก็จะไม่มีวันสำเร็จรับปริญญาได้เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ของนักศึกษาไปทำหน้าที่ของนักจัดกิจกรรมทำกิจกรรมต่างๆอย่างนี้ก็จะไม่สามารถที่จะมีความรู้ที่ทำให้ สามารถสอบผ่านรับปริญญาได้ฉันใดชาวพุทธเราก็เป็นเช่นนั้นทุกวันนี้ไม่ค่อยศึกษากันไม่เข้าห้องเรียนกันไม่เข้าห้องสอบกันจึงไม่ปรากฏมีผู้รับปริญญาระดับต่างๆของพระพุทธศาสนาซึ่งมีอยู่ถึงนสี่ระดับปริญญาด้วยกันคือปริญญาขั้นที่หนึ่งก็เรียกว่า ขั้นโสดาบันปริญญาขั้นที่สองก็คือขั้นสกิดาคามีปริญญาขั้นที่สามก็คืออันอาคามีปริญญาขั้นที่สก็คืออาราหันต์นี่แหละคือปริญญาที่พระพุทธเจ้ารอที่จะมอบให้กับพวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้มีสิทธิที่จะรับปริญญาเหล่านี้ได้ เพราะหนึ่งเราเป็นมนุษย์สองเรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่สิ่งที่เรายังไม่มีหรือขาดหรือมีน้อยก็คือความขยันหมั่นเพียรมีศรัทธาแล้วต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วหลังจากที่ศึกษาแล้ว ก็จะรู้ว่าจะต้องไปปฏิบัติอย่างไรบ้างเมื่อรู้แล้วก็ต้องปฏิบัติถึงจะได้ปรากฏเป็นผลขึ้นมาผลที่เราต้องการก็คือความดับทุกข์ความสิ้นทุกข์การสิ้นสุดแห่งการเย็ยนว่าตายเกิดในปัจจุบันชาตินี้เลยเพราะว่าถ้ามีพระพุทธศาสนาแล้วการกระทา การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้สามารถทำได้ในพบนี้เลยไม่เหลือนในสมัยที่ไม่มีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนานี้จะไม่มีทางที่จะสามารถปฏิบัติให้ไป ส, สู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในพบนี้ชาตินี้ได้เลยทำได้อย่างมากก็คือการบําเพ็ญบารมี เพื่อที่จะสะสมให้มีกำลังจนมีความสามารถที่จะตัดภบตัดชาติได้ในลำดับต่อไปในภพชาติอีกนับไม่ถ้วนที่จะตามมาดังที่พระพุทธเจ้าของพวกเราได้ต้องได้บำเพ็ญมาเนื่องจากพระพุทธเจ้าไม่มีพระโอกาสที่จะได้พบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อน พรจึงไม่ทราบทางที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เลยต้องทดลองวิธีการต่างๆบำเพ็ญบา ร, รมีต่างๆใช้เวลาเป็นกับเป็นการถ้านับพบใติก็นับเป็นหลายล้านล้านล้านชาติเลยทีเดียวกว่าที่จะมีบา ร, รมีมากพอที่จะสามารถเห็นทางได้ด้วยพระองค์เอง แต่พวกเรานี้ถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีวาสนามีโชคมากที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาและได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยเพราะจำเป็นจะต้องมีทั้งสองส่วนนี้คือจะต้องเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เท่านั้นที่จะมีความสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ถ้าเกิดเป็นเดรัจฉาน ก็จะไม่สามารถที่จะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่มีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกนี้ก็จะไม่สามารถปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเพราะไม่รู้จักทางไม่รู้ว่าจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนั่นเองแต่ตอนนี้พวกเรานี่มีทั้งสองส่วนแล้ว ถ้าเป็นถ้าเป็นประตูก็มีทั้งกุญแจมีทั้งลูกกุญแจคือตัวกุญแจที่ล็อกประตูไว้เราตอนนี้มีลูกกุญแจที่จะมาเปิดมันได้พอเปิดเราก็สามารถเข้าไปสู่ที่เก็บทรัพย์อันยิ่งใหญ่ได้ก็คือมรรคผลนิพพานนี่เองดังนั้นเรา จึงต้องมีศรัทธาในเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีศรัทธาเราก็ต้องพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นด้วยการศึกษาพราะธรรมคาสอนอยู่เรื่อยๆศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องเช่นพระไตรปิฎกหรือหนังสือที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกหรือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่ได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ จนรู้แจ้งเห็นจริงแล้วว่ามรรคผลนิพพานนี้อยู่ที่ไหนไปอย่างไรถึงจะไปถึงมรรคผลนิพพานนี้ได้ถ้าเราได้ศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องถูกต้องเราก็จะฟังแล้วจะเกิดปัญญาศึกษาแล้วจะเกิดศรัทธาความเชื่อเพราะว่าไม่มีความลังเลสงสัยนั่นเองเพราะ เป็นความจริงที่เต็มไปด้วยทั้งเหตุและทั้งผลเพียงแต่ยังร อ, อการพิสูจน์จากเราเท่านั้นการศึกษานี้ก็เป็นเหมือนคาความรู้ที่เรียกว่า10บปาก10บปาก10บปากเข็นไม่เท่าหนึ่งตาเห็น10บปากได้ยิน10บปากไม่เท่ากับหนึ่งตาเห็น การได้การศึกษานี่เหมือนกับการได้ยินได้ฟังจากผู้ที่เขารู้แล้วมาบอกเราแต่เรายังไม่รู้จริงเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังเรื่องที่เขาเล่าให้เราฟังเรายังไม่เห็นเรื่องนั้นเราจะเห็นได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติเหมือนกับการได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับสถานที่ที่เรายังไม่เคยไป เราฟังแล้วเราก็จินตนาการไปในใจของเราว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เราจะไม่เห็นอย่างแท้จริงว่าเป็นอย่างที่เราคิดหรือไม่จนกว่าเราจะเดินทางไปถึงสถานที่นั้นพอเราไปถึงสถานที่นั้นแล้วเราก็จะเห็นเต็มตาเห็นได้อย่างชัดเจนดังที่มีคำพูดว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น เมื่อเราได้ยินแล้วได้ฟังแล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องปฏิบัติเพื่อพาให้เราไปเห็นในสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาพอได้ยินได้ฟังพอเห็นแล้วทีนี้ก็จะสำเร็จประโยชน์คือจะบรรลุถึงเป้าหมายที่เราต้องการคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิด อยู่ที่ศรัทธาในเบื้องต้นดังนั้นเราต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ากาเลนธรรมดสวนณัมเอตัมมังกลรมุตตมังการฟังธรรมตา ม, ตา ม, ตามกาลตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งการฟัง ร, รมามตามกาลตามเวลาก็คืออย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้ง พระพุทธศาสนามีวันธรรมัตสวรรวันฟังธรรมที่เราเรียกว่าวันพระในสมัยโบราณเรานับวันพระตามจันทรคติตามปฏิทินจันทรคติคือนับตามวันแรงวันขึ้นแรงวันพระนี้จะเป็นวันขึ้นแรงแปดค่าและสิบห้าค่ำหรือสิบสี่ค่ำในสมัยโบราณ ชาวพุทธเราจะหยุดทำงานทำการในวันก่อนวันพระและวันพระเพื่อที่เราจะได้เข้าวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในสมัยปัจจุบันเนื่องจากเหตุการณ์ในโลกนี้เปลี่ยนแปลงไปโลกนี้เป็นเหมือนโลกใบเดียวกันเป็นโลกโลกาพิวัต การใช้ปฏิทินจันทรคติก็เลยไม่สะดวกเนื่องจากที่จะต้องติดต่อทำธุรกิจกับต่างประเทศที่เขาใช้ปฏิทินสุริยคติคือใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานแถวพุทธเราก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้เข้าวัดตามวันพระ เพราะว่าวันพระจะไม่ได้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์เสมอไปดังนั้นเพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ทันกับเวลาเราควรจะปรับการถือวันพระของเราใหม่ให้ถือวันพระให้ตรงกับวันที่เราหยุดทํางานวันไหนที่เราไม่ต้องไปทํางานก็ควรจะถือวันนั้นเป็นวันพระเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์ อย่างวันนี้เป็นต้นเราถือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี้เป็นวันพระของเราก็ได้เป็นวันที่เราต้องฟังเทศฟังธรรมจะฟังที่วัดก็ได้หรือจะฟังที่บ้านก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มีสื่อที่สามารถที่จะถ่ายทอดพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ทุกขขนทุกแห่ง แม้แต่ในรถยนต์ก็สามารถฟังเทศฟังธรรมได้แต่เนการฟังเทศฟังธรรมในรถยนต์นี้ถ้าขับรถเองไปก็ไม่ควรจะฟังเพราะว่าจะทำให้เสียสมาธิหรือเสียสติขาดสติในการขับรถได้หรือถ้าฟังก็จะฟังไม่ได้เต็มที่เพราะใจจะต้องคอยระวัดระวังอยู่กับการขับรถ การฟังก็จะไม่ต่อเนื่องก็จะไม่ได้รับอนิสงส์ที่ควรจะได้รับที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีอยู่ห้าประการด้วยกันคือจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองสิ่งที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเราก็จะเข้าใจดีขึ้นไปสรจะกาจัดความลังเลสงสัยได้ 4. จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้อง 5. จะทำให้จิตใจผ่องใสสงบถ้าเราฟังต้องการอ น, นิสง์ทั้งห้าประการนี้เราต้องฟังด้วยจิตใจที่สงบมีสมาธิคือจิตใจไม่ต้องไปทำอะไรอย่างอื่นต้องฟังอย่างเดียว ต, ต, ต้องตั้งใจฟังอย่างเดียว ไม่ใช่ฟังไปแล้วก็ทำอย่างอื่นไปด้วยเช่นบางท่านคิดว่าอยู่บ้านทาทำอะไรที่บ้านเช่นกว่าบ้านถู บ, นบ้านก็เปิดฟังไปด้วยอย่างนี้ก็ทำได้แต่จะไม่ดีเท่ากับนั่งเฉยๆแล้วฟังเพราะจะได้เต็มร้อยถ้านั่งปถ้าทำอะไรไปแล้วฟังไปก็จะได้เพียงห้าสิบห้าสิบ ก็จะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรการฟังธรรมที่จะให้เกิดอ น, นิสงส์เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้นต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบกายก็ต้องนั่งอยู่เฉยๆวาจาก็ไม่พูดอะไรใจก็ไม่คิดถึงเรื่องอื่นนี่คือการฟังธรรมที่ถูกต้องฟังอย่างนี้แล้ว จะเกิดศรัทธามากเพราะว่าจะได้ผลนั่นเองจิตใจจะร่มเย็นเป็นสุขจิตใจจะมีความรู้ความเจราดจะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนี่คืออนิสง์ของการฟังเทศฟังธรรมที่พระเจ้าทรงตัดว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะว่าจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความร่มเย็นเป็นสุขจะทำให้เราเดินเข้าหาความสุขความเจริญจะทำให้เราเดินห่างไกลจากความทุกข์ความเสื่อมเสียทั้งหลายนะการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนทุกๆคน <c oughs> เพื่อที่จะได้นำเอาความรู้ที่ได้มา ได้ยินได้ฟังแล้วนําออกไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วจิตใจก็จะสะอาดขึ้นตามลําดับจิตใจก็จะเจริญขึ้นสูงขึ้นตามลําดับจะพัฒนาจากระดับปุตุชนให้ขึ้นไปสู่ระยับอริยะบุคคลคือเข้าสู่ขั้นโสดาบันสกิรดาคามีอนาคามีและอรหันต์ตามลําดับต่อไป เมื่อบรรลุแล้วก็จะเป็นสรณะของตัวเองเป็นที่พึ่งของตนเองและเป็นที่พึ่งของผู้อื่นต่อไปเป็นผู้ที่จะสามารถถ่ายทอดสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ให้ยืนยอยู่ยาวนานต่อไปอีกได้อยู่ที่ตรงนี้เราอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปพัฒนาที่ถาวรวัตถุ ก, กัน ทาวรวัตถุก็มีไว้เท่าที่สมควรเท่าที่จำเป็นแต่ไม่ควรเสียเวลาไปกับการพัฒนาถาวรวัตถุมากจนเกินไปจนลืมหน้าที่ที่จะต้องทำก็คือการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นเป็นเรื่องสำคัญกว่าในสมัยพระพุทธกาลนี้ พระภิกษุจะไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับการสร้างถาวรวัตถุสร้างวัดสร้างอะไรเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปลีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาไม่มีกุติก็ให้อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามเงื้อมผาอยู่ในถ้ำไม่ต้องมาเสียเวลากับการมา สร้างแล้วต้องมาคอยทำนุบำรุงดูแลรักษาเพราะไม่ใช่เป็นงานที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแต่สำหรับคารวาะญาติโยมนี้สามารถทำได้เพราะคารวะานั้นยังไม่มีกำลังพอที่จะออกปฏิบัติได้แต่มีกำลังที่จะ สนับสนุนพระพุทธศาสนาได้ด้วยการสร้างถวายถาวรวัตถุต่างๆเพื่อเป็นการกําจัดความตันนีกาจัดความยึดติดในทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองแห้เอาเงินทองที่มีเหลือเกินความจําเป็นนี้เอามาสนับสนุนพระพุทธศาสนาด้วยการสร้างถาวรวัตถุ ด้วยการสนับสนุนภาคภิกษุทถวายปัจจัยสี่คืออาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุ่งหง่มยารักษาโรคและกุติที่อยู่อาศัยนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่ยังครองเวือนอยู่เพราะจะทำให้จิตใจนั้นสูงขึ้นทำให้ความโลภน้อยลงความหยาบน้อยลง ทำให้ความเมตตามีมากขึ้นทำให้ปล่อยวางได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ปฏิบัติทำขั้นที่สูงขึ้นไปต่อไปได้ก็คือรักษาศีลและภาวนาเมื่อได้รักษาศีลได้ภาวนาแล้วได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการรักษาศีลภาวนาแล้วก็จะมีศรัทธาที่จะออกบวชต่อไป จะไม่เสียดายทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเพราะรู้ว่ามันไม่ได้เป็นที่พึ่งของจิตใจเป็นที่พึ่งของร่างกายซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีมากมายเหมือนกับที่มีอยู่ในขณะที่เป็นคราวาสออกบวชแล้วก็มีที่พึ่งของทางร่างกายที่ศรัท ธ, ธาญาติโยมพร้อมที่จะสนับสนุนอยู่แล้วผู้ที่ สามารถรักษาศีลได้สามารถภาวนาได้ก็จะเบื่อหน่ายกับการกับชีวิตของคารวะของการคอลองเรือนเพราะจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายต่างๆวุ่นวายกับการหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองวุ่นวายกับการดูแลรักษาวุ่นวายต่อการป้องกันวุ่นวายต่อการเสียอกเสียใจ เวลาที่ต้องสูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไปแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปจากการมีทรัพสมบัติเข้าของมากเกินความจำเป็นดังนั้นหน้าที่ของผู้คลองเรือนกับผู้ออกบัวจึงมีต่างกันคือผู้คลองเรือนนี้ ยังมีหน้าที่ที่จะต้องทําบุญให้ทานถวายการสนับสนุนให้แก่พระพุทธศาสนาด้วยจตุปัจจัยทายาทานต่างๆเพื่อที่จะได้รักษาศีลได้เพื่อที่จะภาวนาได้ส่วนผู้ที่ออกบวชแล้วนี้ไม่มีหน้าที่ที่จะมาหาเงินหาทองเพื่อมาสร้างถาวลวัตถุต่างๆ หรือเพื่อมาทานุบบำรุงถาวรและวัตถุต่างๆอันนี้เป็นหน้าที่ของผู้ครองเรือนให้ผู้ที่มีศรัทธาสำหรับนักบวชนั้นมีหน้าที่ปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญารักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็ปรีกวิเวกหาสถานที่สงบสงัดอยู่ตามลำพังไม่คุกคลีกันเพราะการคุกคลีกันมักจะ เสียเวลากับการปฏิบัติจะเพิ่มเพลินกับการสนทนากันคุยกันแล้วก็วิาพากษ์วิจารเรื่องราวต่างๆและอาจจะนำไปสู่การทะเลาะวิวากันต่อไปการอยู่ร่วมกันของของพระนี้จึงจะร่วมกันในเฉพาะเวลาที่ต้องมาทำกิจกรรมที่จำเป็นเท่านั้น<ๆ>เช่นตอนออกบิณฑบาตตอนมาฉันร่วมกัน หรือตามมาทำกิจวัตรปัดกวาดทำความสะอาดจะมาทำร่วมกันแต่จะไม่คุยกันทุกคนจะควบคุมหรือคอยเฝ้าดูแลจิตใจของตนไม่ให้คิดเรื่อยเปื่อยไม่ให้คิดฟุง้งซ่านให้มีสติอยู่กับงานที่กำลังทำอยู่และไม่คุยกันเมื่อทำเสร็จกิจวัตรแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกกลับไปสู่ที่พักของตน เพื่อที่จะได้บำเพ็ญภาวนาต่อไปเดินจงกรมนั่งสมาธิพิจารณาอาสุภะพิจารณาอานิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้เกิดความเบื่อหน่ายในในสิ่งต่างๆเช่นร่างกายเพื่อที่จะได้ปล่อยวางเพื่อจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ร่างกายจะ มอบให้กับจิตใจถ้าไปหลงยึดไปติดว่าเป็นตัวเราของเราถ้าไปหลงยึดติดว่าสวยงามก็จะทำให้เกิดตันหาความอยากเมื่อเกิดตันหาความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้ามีปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้ว ใจก็จะไม่หลงไม่ถูกความหลงหลอกให้ไปยึดไปติดว่าเป็นของเราว่าจะให้ความสุขกับเราแต่จะเห็นตามความจริงว่าไม่ใช่ของเรามีแต่ความทุกข์จะให้แต่ความทุกข์กับเราเช่นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ที่เกิดจากการต้องพัดพรากจากกันนี่คือปัญญา ถ้าพิจารณาอย่างนี้แล้วถ้าจิตมีสมาธิมีกาลังก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆได้ปล่อยวางลาบนุสสรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ถ้าปล่อยวางได้จิตก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่คือเรื่องของนักปฏิบัติของนักบวชมีหน้าที่การปฏิบัติ มีการหน้าที่การศึกษาและการปฏิบัติแต่ยังไม่ได้ศึกษายังไม่รู้วิธีก็ต้องศึกษาไปก่อนเมื่อรู้แล้วก็ให้ไปปฏิบัติไม่มีหน้าที่ไปหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาสร้างวัดต่างๆอย่างที่เห็นกันสมัยนี้ถึงกับติดป้ายโฆษณากันใหญ่โตปิดทองฝังลูกนิมิตอันนี้ก็เป็นอุบายการหาเงินหาทอง เพื่อมาสร้างโบสถ์สร้างกุฏิสร้างไปทำไยทำไมไม่สร้างสร้างเรือนใจคือมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างโบสถ์แม้แต่หลังเดียวไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวพระพุทธเจ้ามีแต่สร้างพระอริยะสร้างพระอรหันต์ในสมัยพระพุทธกาลนี้มีพระอรหันต์เต็มไปหมด แต่วัดนี้แทบจะหาไม่มีเลยเพราะพระไม่ได้อยู่ตามวัดกันพระท่านไปปรีคุ้เวกอยู่ตามป่าตามเขาปฏิบัติซึ่งเป็นสถานที่ที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันสมัยนี้พระเรามาอยู่ร่วมกันอยู่ในวัดกันอยู่กันอย่างสุขสบายจนลืมศึกษาลืมปฏิบัติมรรคผลนิพพานหรือพระอริยะ บุคคลยึงไม่ค่อยปรากฏนี้ตามวัดในบ้านในเมืองต่างๆมักจะไปปรากฏอยู่ตามวัดป่าวัดเขาตามสถานที่ไกลจากความเจริญทางด้านวัตถุ ก, กันเพราะนั่นเป็นที่ที่จะผลิตพระอาริยบุคคลนั่นเองนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาให้เรารู้ว่าหน้าที่ของเรานั้นเป็นอะไรกัน เพื่อที่เราจะได้รับประโยชน์ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็คือการคือการตัดภพชาติให้น้อยลงไปตามลำดับและทำให้ภพชาติที่เหลืออยู่นี้ <c oughs> ดีขึ้นไปตามลำดับหรือถ้ามีบารมีพอก็ตัดภพชาติในภายชาตินี้ได้เลยนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจ้าทรงมอบไว้ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งทั้งสี่บริษัทคือปิกพุสั ม, มนเนนอุบาสกและอุบาสิกาเพียงแต่ขอให้ท่านทั้งหลายจงพยายามสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดศรัทธาแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเปลี่ยนตามมาเมื่อมีวิริยะแล้วการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นสิ่งที่จะตามมาต่อไป จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดมาทาหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เปลี่ยงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัย